2. ปริวาสว่าด้วยการอยู่ชดใช้อัคระสมโมทานปริวาตว่าด้วยปริวาสประมวลค่าแห่งอาบัตเข้าด้วยกันสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งต้องอาบัตสังฆาทิเศษหลายตัวคืออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้หนึ่งวัน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 ภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นบรรดาอาบัตเหล่านั้นอาบัตใดปิดไวสิบวันสงฆ์จงให้อัคคสมทานปริวาสเพื่ออาบัตนั้นแก่ภิกษุนั้น